เพื่อมาทำความดีเพราะความดีเป็นเหตุของความสุขและความเจริญที่แท้จริงส่วนความเจริญทางลาบยศสรรเสริญสุคนี้เป็นความเจริญเพียงชั่วคราวเพราะอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือความไม่เที่ยงมีเจริญย่อมมีเสื่อมไปเป็นธรรมดา ให้ได้ลาบยศสลดเสริญสุขมามากน้อยเพียงไรในที่สุดก็จะต้องสูญหมดไปไม่สามารถเอาติดไปกับใจได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ความดีนี้เป็นสิ่งที่เราเอาไปได้ความสุขความเจริญที่เกิดจากการทำความดีนี้เป็นสมบัติของเรา ที่เราเอาติดตัวไปได้เพราะเป็นการพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระอริยเจ้าคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านพัฒนาชีวิตจิตใจของท่านด้วยการทำความดีย่างต่อเนื่อง อย่างไม่ท้อแท้อย่างไม่หยุดหยอ่อนจนในที่สุดจิตใจของท่านก็ได้รับพัฒนาจนถึงขั้นพระนิพพานนั่นคือจุดสูงสุดของจิตใจของของสร์โลกทั้งหลายที่จะสามารถไปกันได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคารวะหรือเป็นนัก บ, บวช ถ้าทำความดีตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้กระทำแล้วก็จะสามารถพัฒนาจิตใจให้ก้าวหน้าลุ่งเลืองไปตามลำดับเวลาตายไปก็ความจิตความดีที่ได้พัฒนานี้ก็จะติดไปกับใจของเราพอไปเกิดใหม่ก็ไปทำต่อได้เลยสมมุติเราทำความดีได้ถึงขั้นที่สาแล้ว เราเราไปเราก็ทําขั้นที่สี่ต่อไปเลยไม่ต้องมาเริ่มต้นที่ขั้นที่หนึ่งใหม่เหมือนกับความเจริญทางลาภยศสารเสริญสุขที่เราต้องกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ดังนั้นขอให้พวกเราจงทุ่มเทชีวิตจิตใจต่อการทําความดีการที่เราจะทําความดีได้นี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ต้องสร้างคุณธรรมขึ้นมา4ี่ประการด้วยกันคือหนึ่งจาคะความเสียสละ 2. สัจจะความซื่อสัตย์ 3. ขันติความอดทนและสี่ธรมะคือความอดกลั้นนี่คือคุณธรรมที่เราจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างขึ้นมาให้มีอยู่ภายในจิตใจของเรา เพราะคุณธรรมเหล่านี้เป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นเหมือนปุ๋ยที่จะให้จิตใจเจริญก้าวหน้าทำได้ทำแต่ความดีไปได้อย่างไม่ไม่ยากลำบากดังนั้นขอให้เรามาเจริญคุณธรรมทั้งสี่ประการดีจาคะแปลว่าการเสียสละ การเสียสละนี้ก็คือให้สละประโยชน์และความสุขของเราที่มีอยู่ให้แก่ผู้อร่นบ้างอย่าคิดแต่เอาแต่ได้เพียงอย่างเดียวการได้มานี้ไม่ได้ทําให้ใจมีความสุขเหมือนกับการให้ไปการให้ไปนี้เป็นประโยชน์กับใจการได้มาเป็นโทษกับใจ ถ้าได้มาด้วยความโลภด้วยความอยากด้วยความเห็นแก่ตัวแต่การให้ไปนี้เป็นการระงับความโลภระงับความอยากระ ง, งับความเห็นแก่ตัวพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไปถ้าจาเป็นจะต้องเสียสละอย่าไปเสียดายเพราะว่าของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันไม่ใช่เป็นของของเราอย่างแท้จริง เป็นสมบัติชั่วคราวเป็นของที่ให้เราเอามาทำประโยชน์ทางร่างกายและทางจิตใจทางร่างกายก็ดูแลให้ร่างกายอยู่ได้ไม่อดอยากขาดแคลนทางจิตใจก็ทำให้จิตใจได้มีโอกาสทาความดีสร้างความดีด้วยการเสียสละเพราะสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ ไม่หมดไปไม่สูญหายไปก็คือความดีนี้เองส่วนทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆนี้ในที่สุดก็ต้องสูญหมดไปไม่ว่าเราจะสละหรือไม่สละดังนั้นพระเจ้าจึงทรงสอนให้เราสละเป็นขั้นๆไปเช่นยกตัวอย่างให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และให้สละชีวิตเพื่อรักษาความดีนี่คือพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้แม้แต่ชีวิตของเราจะมีคุณค่ากว่าความดีเพราะความดีนี้เป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งของใจถ้าเรามีความดีแล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อน เราจะไม่วุ่นวายใจแต่สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจต่อให้เรามีสมบัติมากน้อยเพียงไรเวลาใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาสมบัติก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจของเราได้เช่นเดียวกับยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเป็นความสุขชั่วคราว แต่เป็นความสุขที่ไม่ที่สู้ความทุกข์ใจไม่ได้เวลาเกิดความทุกข์ใจความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็จะหายไปหมดเลยเหลือแต่ความทุกข์ระทมใจความขมขื่นใจความเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเรามีความดีแล้วเราจะสามารถหยุดความทุกข์ต่างๆได้เช่นเรามีความทุก ที่เกิดจากการอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่มีผู้อื่นเขาอยากจะได้เช่นเดียวกันแทนที่เราจะไปต่อสู้ไปสร้างเวรสร้างกรรมเราก็เสียสละสิ่งที่เราอยากได้นั้นไปเขาอยากได้ก็ให้เขาไปถ้าเราจะต้องได้มาด้วยการสร้างเวรสร้างกรรมเราอย่าไปเอามาดีกว่า เพราะเอามาก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมากกับจิตใจอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับร่างกายเช่นถ้าเป็นอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหรือเครื่องนุ่งหม่มแต่ถึงแม้ว่าเราอาจจะขาดแคลนเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคปัจจัยสี่เหล่านี้เราก็ยังพอจะอยู่ได้หรือถ้าเราอยู่ไม่ได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ ร่างกายก็จะต้องตายไปอยู่ดีไม่ว่าเราจะมีปัจจัยสี่มากน้อยเพียงไรเมื่อถึงเวลาของร่างกายที่จะต้องตายจากไปก็ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะยับยั้งความตายได้แต่ใจที่มีความดีนี้ใจที่มีการเสียสละนี้จะไม่ทุกข์กับความตายจะไม่ทุกข์กับการสูญเสียสิ่งต่างๆไป เพราะใจไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งนั่นเองแต่ใจต้องพึ่งความดีต้องพึ่งความเสียสละถ้าเราเสียสละได้เราจะมีความสุขใจเช่นสมมุติว่าเรากําลังจะรับประทานอาหารแล้ว เ, เห็นขอทานเดินโซซัสโซเซมาถ้าเราสละอาหารจานนั้นไปให้เขาได้แทนที่เราจะหิวเพราะเราไม่ได้รับประทานอาหาร เราเกิดจะเกิดเรากลับจะอิ่มมากกว่าที่เราได้รับประทานอาหารเพราะเวลาเรารับประทานอาหารจากนั้นก็เพียงแต่ทำให้ร่างกายอิ่มร่างกายมีความสุขแต่ความสุขของร่างกายนี้มันเป็นส่วนย่อยมันเป็นเพียงหนึ่งในสิบถ้าเปรียบเทียบกับความสุขทางใจที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเป็นสิบเท่าดังนั้นถ้าเราให้อาหารใจ ด้วยการเสียสละอาหารกายไปแทนที่เราจะหิวเรากลับมีความอิ่มมากกวา่าที่เราได้รับประทานอาหารในทางตรงกันข้ามถ้าเรารับประทานอาหารไม่สนใจกับคนขอทานคนนั้นที่โอดอยากแทนที่เราจะมีความอิ่มใจสุขใจเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจเพราะเราก็อาจจะคิดว่า เราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าทำไมเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้นี่คือตัวอย่างของความเสียสละดังนั้นขอให้เราคิดเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันไม่ได้เป็นของเราและสักวันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียมันไปดังนั้นถ้าเราจะต้องรักษามันด้วยการสร้างบาปสร้างกรรมก็อย่าไปรักษามัน ยอมเสียมันไปดีกว่าเพราะการเสียนี้จะทําให้จิตใจเราสงบจิตใจเราเย็นจิตใจเราไม่มีร่างกายก็อยู่ได้ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็มีมีความสุดได้เช่นพระพุทธเจ้าที่เคยมีทรัพย์สมบัติมากมายอยู่ในพระราชวังมีประสาวสามือลูแต่พระองค์ก็สละสมบัติเหล่านั้นไป แล้วก็ไปอยู่ในป่าอยู่แบบขอทานแต่ผลที่ได้รับ ก, ก็คือความอิ่มใจความสุขใจที่ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆไม่สามารถให้กับใจของเราได้นี่คือเรื่องของการเสียสละถ้าเราเสียสละได้แล้วเราจะรักษาความดีได้เราไม่ต้องไปแก่งแย่งชิงดีไม่ต้องไปมีเวรมีกรรมกับใคร ใครอยากจะไปก่อนก็ให้เขาไปก่อนขับรถมาเขาปาดหน้าเราก็ปล่อยให้เขาปาดไปปล่อยให้เขาไปแล้วขับรถไปแบบสบายๆด้วยความระ ม, มัดระวังไม่ประมาดดีกว่าเนี่ยคนที่ขับรถเร็วประมาดเดี๋ยวก็ไปตกระลอกอยู่ดีเดี๋ยวก็ต้องไปรถควม่มไปเสียชีวิตอยู่ดีนั้นเราไม่ต้องไปโกรธเขาเราควรจะสงสารเขาสงสารที่เขายังโง่อยู่ ก็ไม่เห็นผลไม่รู้ว่าผลของการขับรถเร็วขับรถประหมาานี้จะเกิดอะไรตามตามมาต่อไปนี่คือข้อที่หนึ่งคือการเสียสละข้อที่สองก็คือสัจจะความซื่อสัตย์คนเราจะเป็นคนดีได้ต้องมีความซื่อสัตย์คือไม่โกหกหลอกลวงไม่ชอบโกง จะ ต, ต้องการอะไรก็หามาด้วยความถูกต้องไม่โกหกหลอกลวงไม่ลักไม่ขโมยไม่ชอบโก ค, ความซื่อสัตย์นี้จะทำให้เราเป็นที่น่าเรื่อมใส่ศรทัทธาอยู่กับใครก็จะไม่มีใครรังเกียจเพราะรู้ว่าเราจะไม่ไปเอาทรัพย์ของเขาไม่ขโมยสิ่งต่างๆของเขาไปเพราะเราจะไม่อยากจะทำอย่างนั้น คนที่ซื่อสัตย์นี้เป็นคนที่สูงกว่าคนที่ไม่ซื่อสัตย์เช่นผ้าที่มาผู้ที่มาบวชนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีสักดิ์เจมีความซื่อสัตย์ศรัทธาญาโยงจึงให้ความเคารพด้วยการกราบว่าแม้แต่บิดามารดาเวลาที่ลูกได้มาบวชได้หมผ้าเหลืองแล้วบิดามารดาก็กราบลูกได้ ถ้าไม่ได้บวชนี้จะไม่ได้กล่าวเพราะว่าไม่เชื่อไม่มีศรัทธาแต่พอบวชแล้วนี่เขาเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อว่าจะมีความซื่อสัตย์สุจริตจะไม่สร้างความเสียหายไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครก็ที่สามก็คือขันติความอดทนชีวิตของเรานี้มันไม่ใช่มีแต่ความสุขอย่างเดียว ชีวิตของเรามันก็มีทั้งทุกข์มีทั้งสุขมีทั้งเจริญมีทั้งเสือ่อมมีทั้งความสะดวกสบายและ ม, มีความยากลาบากถ้าเราไม่มีขันติเวลาเกิดความทุกข์ยากลาบากเกิดความตกต่ำเราก็อาจจะไม่สามารถรักษาสัจจะความซื่อสัตย์สุจริตได้เช่นเวลาที่เราขาดเงินขาดทองขึ้นมาไม่พอใช้ ถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์เราก็อาจจะไปหาเงินทองมาโดวยวิธีที่ไม่ซื่อสัตย์ไปโกหกหลอกลวงไปช่อโกงทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาถ้าเรามีขันติเรายอมทนอยู่กับความทุกข์ยากลาบากถึงแม้จะอดอยากอดมือกินมือก็ดีกว่าไปโกงไปเอาเงินมาซื้ออาหารรับประทานใจจะไม่มีความสุข ใจเวลาทำบาปทำผิดแล้วจะไม่มีความสุขถึงแม้ว่าร่างกายจะปลอดภัยจากความยากลำบากแต่ใจนี้กลับต้องถูกความไม่สบายใจมาเหยียบย่ำและก็จะทำให้เป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่นคนเราจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ความซื่อสัตย์สุจริตนี้เอง ถ้าเราไม่มีความเชื่อสัตด์สุจริตเราก็จะเป็นคนดีไม่ได้จะไม่มีใครเขาอยากจะคบค้าสมาคมด้วยดังนั้นขอให้เราอดทนเอาไว้เวลาทุกข์ยากลาบากคิดเสียว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมีขึ้นก็ต้องมีลงมีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไม่ว่าจะรวยหรือจะจน ทุกคนในที่สุดก็ต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากด้วยกันทั้งนั้นและเงินทองก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยเราได้นอกจากขันติความอดทนนี้เท่านั้นถ้าเรามีอดความอดทนเราก็จะฟันฝ่ากับความทุกข์ยากลำบากไปได้ฟันฝ่าความตายไปได้คือตายด้วยความสบายตายด้วยความสงบแก่ด้วยความสงบ เจ็บไายด้วยความสงบเพราะเรามีขันติความอดทนยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นกับเราเพราะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราหนีไม่ได้เด็กเลี่ยงไม่ได้และวิธีที่จะทําให้เราผ่านความแก่ความเจ็บความตายไปได้อย่างสงบอย่างสบายก็คือต้องมีขันติความอดทนนี่เองนี่คือเรื่องของขันติ และข้อที่สี่ก็คือธรรมะแปลว่าความอดกลัน้นความอดกลั้นก็คือความอดกลั้นต่ออารมณ์ของเราที่มีอยู่ในใจเราเช่นเวลาเราโกรธเวลาเราโลภอย่างนี้เราต้องใช้ธรรมะมาระ ง, งับอย่าทำตามความโลภอย่าทำตามความโกรธเพราะการทำตามความโลภ ค, ความโกรธนี้มักจะนำความเสียหาย มาให้แก่เรานั่นเองถ้าเราโลภมากๆแล้วเราไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีที่สุดจริตเราก็จะต้องไปหามาด้วยวิธีทุจริตทำผิดศีลผิดธรรมทำผิดกฎหมายดังที่มีคนเขาทำกันอยู่พวกมิจฉาชีพทั้งหลายนี้เป็นพวกที่ไม่มีธรรมะอยู่ภายในใจไม่สามารถอดกลั้นต่อ ความโลภต่อความโกรธได้เวลาโลภ ก, ก็ไปทําอาชีพที่ไม่ชอบทําอาชีพผิดกฎหมายเช่นค่ายาเสพติดหรือไม่ก็ไปรักเล็กขโมยน้อยไปพ้นไปจี้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถ้ามีการอารมณ์เกิดขึ้นก็ไปข่มขืนชําเลาผู้อื่นอย่างนี้เพราะไม่มีความอดกลั้น ไม่สามารถดับอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจได้เวลาเกิดความโกรธก็ไปทะเลาะวิวาดไปทำร้ายหรือไปฆ่าผู้ืแล้วผลที่ไม่ดีก็จะตามมาทำผิดแล้วก็ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆถ้าถูกจับก็ต้องถูกเข้าไปขังในคุกในตารางหรือถึงกับประหารชีวิตได้ เพราะว่าไม่มีธรรมะอยู่ภายในใจไม่มีความอดกลั้นอยู่ภายในใจดังนั้นขอให้เราพยายามฝึกความอดกั้นกันวิธีที่จะอดกั้นความโลภนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เราถือหลักมากน้อยสัมโดดขอให้เราอยากได้เพียงสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นได้น้อยๆหรือถ้าว่าได้ไม่ ถึงแม้ได้น้อยแล้วไม่พอก็ให้ถือหลักสันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดหาได้มามากหรือน้อยก็ขอให้พอใจอย่าอย่าไปโลภอยากได้มากไปกว่านั้นถ้าเรามีความมากน้อยสันโดษเราก็จะหยุดความโลภได้หรือถ้าเราจะใช้ปัญญาก็สามารถดับความโลภได้เช่นเดียวกัน ด้วยการใช้เหตุใช้ผลเวลาที่เราโลภอยากได้อะไรก็ให้ถามตัวเราเองว่าถ้าไม่ได้สิ่งที่เราโลภแล้วจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็อย่าไปโลภดีกว่าอยู่แบบไม่โลภมีความสุขกว่าเพราะความโลภนี้เป็นเหมือนไฟที่จะทำให้ใจของเรารุ่มร้อนกังวลกระวายกระสับกระส่าย กินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเราหยุดความโลภได้ใจของเราก็จะสงบเย็นสบายเช่นตอนนี้พวกเรานั่งอยู่ตรง น, นี้เราไม่มีความโลภ ก, กันเราก็อยู่นั่งอยู่อย่างนี้ได้แต่ถ้าใจเกิดความโลภอยากจะได้อยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรขึ้นมาก็จะนั่งทนนั่งอยู่ไม่ได้จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจอยากจะให้เทศจบเร็ว เพื่อที่จะได้ไปทำตามความโลภดังนั้นขอให้เราฝึกหาเครื่องมือใช้ต่อสู้กับความโลภจะใช้วิธีมักน้อยสันโดษก็ได้ใช้ปัญญาใช้เหตุผลก็ได้หรือจะใช้การทำสมาธิก็ได้เช่นเวลาเกิดความโลภ ก, ก็ให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้ ถ้าเราอยู่กับการสวดมนต์หรืออยู่กับการบริกรรมไปได้เรื่อยๆแล้วไม่นานใจก็จะลืมเรื่องที่อยากจะโลภได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอลืมแล้วความโลภ ก, ก็จะหายไปเพียงแต่ว่าหายไปเพียงชั่วคราวเท่านั้นพอเราหยุดบริกรรมพุทโธเดี๋ยวใจเราก็กลับไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากได้เลอย่างนั้นถ้าเราอยากจะให้มัน หายโลคอย่างทาวนเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาใช้เหตุผลว่าถ้ามันไม่จำเป็นมันถ้ามันไม่มีมันแล้วเราไม่ตายก็อย่าไปมีมันดีกว่ามีแล้วมันกลับจะมีความทุกข์มากกว่าได้มีความสุขเช่นเราอยู่คนเดียวเรามีความรู้สึกเหงาว้าเหวเราอยากจะมีคู่ครอง ถ้าเราคิดซะก่อนว่ามีแล้วจะทุกข์มากกว่าไม่มีนะเพราะเมื่อมีแล้วก็ต้องมามาหวงมาหวงเขาแล้วก็ต้องมาเสียใจเวลาที่เขาเปลี่ยนไปหรือเวลาที่เขาจากไปลเวลาที่อยู่ด้วยกันก็อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันก็อาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันซึ่งเรื่องเหล่านี้เราไม่ค่อยคิดกัน เราเพียงจะคิดว่าถ้ามีเขาเป็นเพื่อนแล้วเราจะมีความสุขเราจะไม่เหงาจะไม่ว้าเวแต่เราลืมไปว่าเราก็จะมีเรื่องอื่นตามมาด้วยเรื่องความความห่วงความกังวลความหวงความเสียดายความเสียใจเวลาที่เขาเปลี่ยนไปหรือเวลาที่เขาจากเราไปถ้าเราใช้เหตุผลใช้ปัญญาพิจารณา เราก็จะหยุดความโลภได้และจะหยุดได้อย่างถาวรต่อไปเราก็จะอยู่เป็นโสดไปได้ตลอดไม่เดือดร้อนเวลาเรามีความเหวาความว้าเหวเราก็นั่งสมาธิแทนทำใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วใจของเราก็จะไม่รู้สึกเหาไม่รู้สึกว้าเหวแต่อย่างใดหรือถ้าอยากจะใช้ปัญญาแก้อย่างถาวร ก็ให้พิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายบ้างร่างกายของคนนี้มีทั้งส่วนที่สวยงามและไม่สวยงามส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่ส่วนที่สวยงามเราจะมองไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยงามเพราะส่วนที่ไม่สวยงามนี้ถูกซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังนั่นเองเช่นเราไม่เห็นอวัยวะต่างๆของร่างกายของคนเราเราจะเห็นเพียงแต่ ผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นเองถ้าผมขนเล็บฟันหนังได้รับการตกแต่งก็จะดูสวยงามแต่ถ้าเราพิจารณาลึกเข้าไปใต้ผิวหนังเราก็จะเห็นอวัยวะส่วนอื่นเห็นเนื้อเห็นเอ็นเห็นกระดูกเห็นหัวใจเห็นตับเห็นปอดเห็นลำไส้เห็นสมองถ้าเราเห็นต่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ข้างล่าง อยู่ข้างในของความสวยงามที่อยู่ข้างนอกเราก็จะดับกามอารมณ์ได้ดับความอยากที่จะเสพการได้เราก็จะอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องไปมีคู่ครองแล้วถ้าเกิดความโกรธเราก็ใช้ความเมตตามาดับความโกรธความเมตตาก็คือหนึ่งการให้อภัยเวลาใครก็ททำให้เราโกรธทำให้เราเสียใจ ก็อย่าไปถือโทษโกรธเคืองยกโทษให้กับเขาไปให้อภัยไปเพราะว่าสิ่งที่เขาทาเขาก็ทําไปแล้วเราไปแก้ไม่ได้สิ่งที่เขาพูดเขาก็พูดไปแล้วสิ่งที่เราแก้ได้ก็คือที่ใจเราแก้ที่ความโกรธนี้เพราะความโกรธนี้ไม่ดีกับใจความโกรธเป็นเหมือนหอกที่จะทิ่มแทงใจ เป็นเหมือนกับไฟที่จะเาผาผลาญใจเป็นเหตุที่จะทำให้ใจตกต่ำเพราะถ้าเรายุติความโกรธไม่ได้เราก็จะไปทําบาปต่อไปเราก็จะไปทํำร้ายเขาไปด่าเขาไปตอบโต้กันและก็อาจจะฆ่ากันได้ต่อไปแต่ถ้าเราให้อภัยเขาได้เราหยุ่ความโกรธได้เราก็จะรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกเย็นสบาย คิดเสียว่าเป็นการทำบุญให้ทานไปก็แล้วกันเหมือนกับทำบุญใส่บาเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นเวลาเราใส่บาเราก็ให้ความสุขกับพระภิกษุเวลาเราให้อภัยไม่ถือโทษกดเครื่องต่อบุคคลที่ทำให้เราเดือดร้อนก็ให้คิดว่าเราให้ความสุขกับเขาไปเป็นการทำบุญพอเรา คิดอย่างนี้แล้วใจเราก็จะสงบเย็นสบายมีความสุขไม่เดือดร้อนต่อไปใครจะทำอะไรเราก็จะไม่โกรธแค้นโกรธเคืองเราจะรักษาความดีของเราได้เพราะเรามีธรรมะคอยควบคุมอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆไม่ให้มันไหลออกมาเวลาที่เราเกิดอารมณ์ไม่ดีเช่นความโกรธ ท่านสอนว่าอย่าไปพูดอย่าไปทําอะไรพยายามทําทใจให้สงบก่อนด้วยวิธีด้วยความเมตตากระได้หรือด้วยการข่มใจด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธถ้าเราอยู่กับพุทโธไปเดี๋ยวความโกรธก็จะหายไปแต่ถ้าเราใช้การให้อภัยได้เราก็จะหายโกรธอย่างถาง้าว นี่คือธรรมะการควบคุมอารมณ์การข่มอารมณ์ข่มใจถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสประการนี้เราจะรักษาความดีเราจะทำความดีไปได้อย่างต่อเนื่องจนถึงขั้นสูงสุดตามที่พระพุทธเจ้าและพาาระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติได้ทำกันมาจึงขอให้พวกเราทั้งหลายพยายามสร้างคุณธรรม 4ประการนี้คือ 1. จาคะการเสียสละ 2. สัจจะความซื่อสัตย์ 3. ขันติความอดทนและสี่ธรรมะความอดกลัน้นถ้าเรามีคุณธรรมทั้ง4ประการนี้แล้วจิตใจของเราก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นไปตามลำดับ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 โดยทั่วหน้ากันเธอ